และทำไมท่านจะไม่รู้ว่าสิกข า, าสาม ท, ท่านกำลังเดินอยู่ในเรื่องของสิกขาสามข่นคือศีลสมาธิปัญญาที่กำลังเป็นไปอยู่ในการทำกิจในการที่รอบรู้ทุกราสมู่ไทยทำนี้โรทยแจ้งอบมอรมอริมักหนท่านต้องเห็นทุกโดยโลกิยาวิปนะัสนาเนี่ยเริ่มชัดขึ้นและในขณะที่ท่านเห็นทุกท่านก็นรู้ด้วยว่านั้นเราเรียกว่าขันทำไมจะไม่รู้ว่าเรียกว่าขันอายตนะท่านก็นต้องชดัดเรียกว่าอายตนะธาตุาท่านก็นต้องชดัดเรียกด้วยความเป็นธาตุ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 ใ ช, ใช่ั้ยใช่วิปั ส, สนาญาณเหมือนมีดใช่ไหมเออถ้าพูดถึงในลักษณะบอกว่าแล้ว่แล้วถ้าพูดถึงด้านขวานปัญญาเหมือนขวานใช่ไหมเออเป็นคมเหมือนขวานเนี่ยที่ท่านยืดอยู่บนแผ่นดินก็คือยือยู่บนศีลใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นการจะรับขวานให้คมก็รับที่ที่หินหินนั่นแหละเป็นที่รับขวานรับมีดหินคือสมาธิอย่างนี้เป็นต้นต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 ทั้งอะไรต่างๆดอกไม้ของบูชาเต็มไปหมดใช่ไหมทุกสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลเนนะี่ยท้าส ก, กาัดในมื่นจักรวาลมากันหมดพรียพรหมทั้งหลายในมื่นจักรวาลก็มากันเพียใช่ไหมต่างก็มาคอยสักการะบูชากันใครมีความดีอะไรทั้งหลายมาบูชาใครร้องลําทําเพลงได้ยังต้องมาร้องลําทำเพลงกันบูชาในการเพืจะเป็นการบูชาการตัดสรุปโอกาสที่จะมี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 ใจได้ไม่เจริญพุทธคุณเหมือนคนกระหยอกขงง่อยอ่ะเจริญจ้องจ้องเหมือนคนใกล้ตายนี่นะไม่ใช่ก็เจริญแบบอาถรรพ์ลาเลิงจริงๆใช่ไหมใช่เออเรามีภาษาสดาที่ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่มีภาษาสดาที่ที่ไม่ใช่ไม่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากด้วยเทวดาทุกชั้นมาบูชาพรหมทุกชั้นมาบูชาเท้าสากะทุกชั้นมาบูชา